มียมคนหนึ่งเขาเขียนมาเล่าที่จริงเป็นทำนองอปรึกษาหารือเล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนก็คือว่าเขากับเพื่อนๆซึ่งก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นนะก็ไปกินอาหารเยนนนะ็นกันสังสรรค์กันะพอตกดึกก็มีคนนะชักชวนมีบางคนก็ชักชวนกันไปเที่ยวผู้หญิงต่อนะเช่ยผู้หญิงเนี่ยคงจะ ไม่รู้เป็นผับบาร์หรือว่าอาบบโนดหรืออะไรนะก็ส่วนใหญ่ก็เฮโลไปถ้านั่งที่บางคนก็มีเมียอยู่แล้วนะแล้วก็บางคนหรือหลายคนนีกว่าก็ดูท่าทางเรียบร้อยนะดูจะเป็นคนที่รักเมียนะแต่ว่าก็แห่กันไปนะไปเที่ยวผู้หญิงก็มีแต่เขาที่คนที่เล่านี้เขาที่เขาไม่ได้ไป เนะพื่อนๆก็ชักชวนทําไมไม่ไปนะจริงๆน่าถามหมายว่าทําไมถึงไปนะนะเขาก็รู้สึกว่ามีแรงกดดันจากเพื่อนๆแต่นั้นก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ที่เขาสงสัยคือว่าทาไมคนที่ดูเรียบร้อยนะก็เป็นคนที่รักครอบครัวมีเมียแล้วนะแล้วก็รักเมียดูสุภาพเนี่ยถ้าไม่ใช่เฉพาะไปเที่ยวผู้หญิงอาจจะไปกินเหล้านะถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะชวนกันไปตีคู่อรินะ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบางคนก็ไม่ได้รู้จักนะไม่ได้รู้จักกับคู่อรินะแต่พอเพื่อนชวนไปเลยพราะพวกนักศึกษาอาชีวะวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนชวนไปก็ไปกับเขาไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นคู่อริอะไรแต่เพื่อนชวนก็ไปอันนี้เราก็อธิบายง่ายๆมันเป็นเพรากระแสะนะเป็นเพราะกระแสะแต่ก็มีคนเนี่ยที่เขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาคนเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มชนเนี่ยเรียกว่าฝูงชนนะ เวลาอยู aí, quien, place, ่ในฝูงชนเนี่ยผู้คนเนี่ยก็ความรู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยหรือว่าการติดความเป็นตัวของตัวเองมันก็จะหายไปคนเราเนี่ยพออยู่ทำการฝูงชนยิ่งฝูงชนเยอะๆเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ากลืนหายเข้าไปในฝูงชนนะเขาจะเฮไปไหนก็เฮตามเข้าไปในเพราะว่เช่นนั้นเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองมันก็จะน้อยลงนะสำนึกผิดชอบชั่วดีที่เคยมีมันก็จะหายไปหรือว่าลืมไปชั่วขณะ ก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะแต่ว่าถ้าฝูงชนมันแห่ไปทางไหนก็ก็จะคล้อยตามไปแม้ว่าจะแห่กันไปเพื่อที่จะไปทำร้ายคนอื่นนะไปตีกันก็ไปนะอันนี้เราเห็นได้ง่ายนะจากประสบจากปรากฏการณ์ของพวกวัยรุ่นนะที่พวกพวกตีกันนะแต่ว่าถึงไม่ใช่วัยรุ่นนะเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถจะหลุดลอยไปตามกระแสะได้เพียงแต่ว่าแทนที่จะไปตีกันก็ ไปเที่ยวผู้หญิงกันนะหรือว่าไปทําทในสิ่งที่มันมันไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมนะความยับยั้งชั่งใจนะในจิตใจก็จะหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการการยอมรับจากเพื่อนนะวัยรุ่นนักเรียนนิชวันหลายคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมีความหมายการช่วยเขามากนะมีความหมายมากกว่าครอบครัวเพื่อนนี่ให้การยอมรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะทําให้เพื่อนเนี่ยยอมรับเขาเป็นพวก เพื่อนชวนไปตีก็ต้องไปนะบางทีชวนไปฆ่าก็มีนะบางที ท, ท้าทายว่านี่เออถ้แกลองไปฆ่าคนมานะถ้าแกเป็นผู้ชายนะไม่ใช่นาตัวเมียต้องไปไปฆ่าคู่อริมาก็ไปนะทั้งที่ไม่ได้โกรธไปเพื่อจะให้เป็นที่ยอมรับอันนี้เป็นความรู้สึกหรือว่าจิตวิทยาของวัยรุ่นแต่ผู้ใหญ่แลวนะผู้ใหญ่ซึ่งอายุสามสิบิบแล้วเนี่ยนะ มันยัมีความรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่า room, นะก็คงมีนะเพราะมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นสัตว์สังคมนะสัตว์สังคมก็คือว่าอาจจะอยู่กันเป็นพวกนะแล้วก็คุณเคยการอยู่กันเป็นฝูงนะฝูงพาไปไหนก็ไปตามนะสัตว์สังคมเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นฝูงสมัยนี้เราก็มีฝูงนะอาจจะฝูงเพื่อนหรือว่าฝูงชนนะที่เราเรียกเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงนี่มันก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเพื่อนนี่กลายเป็นฝูงเมื่อไรเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราไม่เคยทํำเราก็อาจจะเผลอทําได้ ถ้าว่าฝูงหรือเพื่อนฝูงนี่ชวนไปอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ชายนะผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงบางคนนี่ก็ดูเรียบร้อยนะแต่เวลาพอเข้าพวกเข้าฝูงนี่บางทีก็จะมีอาการนะเปลี่ยนไปอาจาจะพูดจาหยอกล้อผู้ชายนะหรือว่าพูดท้าทายผู้ชายหรือว่าทำอะไรที่เรียกว่าปกติตัวเองไม่ทำเวลาอยู่คนเดียวอันนี้ก็มันก็เป็นพฤติกรรมฝูงนะ คือว่าต้องทําตามตามกระแสะของเพื่อนฝูงนะสมัยนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่มีแค่ฝูงที่หรือเพื่อนฝูงที่เห็นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรืออ ย, ยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะบางทีอย้อนคนละที่คนละที่เ น, นี่ยแต่มันก็เกิดความรู้สึกเป็นฝูงได้นะโดยเพราะเวลาเล่น Facebook เนี่ยเวลาใช้ Facebook เนี่ยเราจะพบว่ามันมีปรากฏการณ์แบบหนึ่งก็คือปรากฏการณ์ลุมยำนะลุมยำทาง Facebook ก็คือรุมด่า ลุมด่าลุมใช้ถ้อยคําที่รุนแรงคนบางคนก็เรียบร้อยนะเป็นผู้หญิงก็เรียบร้อยนะพูดจาสุภาพเนี่ยแต่พอไปใช้เฟซบุ o กเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ท่ามกลางฝูงนะเพื่อนฝูงมีใครคนใดคนหนึ่งพูดจาไม่ถูกไม่ถูกใจเรานะก็จะมีใครต่อใครซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนของเราเข้าไปด่าเรานี่ซึ่งก็เป็นเพื่อนของเขาด้วยก็เลยเข้าไปลุมด่าเหมือนกันนะ ประกอบการรุมด่าทางเ c e b o o k เดี๋ยวนี้เจอบ่อยมากบางคนด่าพ่อด่าแม่ใช้คำเฮาหาสารพัดเลยทั้งที่ปกติก็เป็นคนเรียบร้อยมันก็น่าสงสัยทำไมคนเรียบร้อยนี่ทำไมเวลาไปเขียนวิจารใน a c e b o o k เนี่ยถึงใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายแบบนั้นก็อาจจะอธิบายได้ด้วย เ, เรื่องฝูงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นฝูงที่เห็นหนาเห็นตา ก, กันแต่ว่าพอเห็นเพื่อนในฟเข้าไปเฮกันไปไ ป, ไปด่าไปรุมยำนะ ในก่อให้เราก็เกิดอารมณ์ร่วมบางนะเข้าไปลุมด่าเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ลืมด้วยลุมตัวใช้ถ้อยคํำรุนแรงมันก็เป็นปรากฏการเดียวกันกันกบที่นักเรียนอาชีวะไปลุมยํานะไปหรือเราลุมยํนะาตีน่นะยําตีนนะเพียงแต่ว่าแทนที่จะยํำด้วยตีนก็ไปยําด้วยคําที่ไม่สุภาพเป็นเยอะนะเดี๋ยวนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการ์ที่คล้อยตามฝูงชน เพียงแต่ว่าฝูงชนนี่มันไม่ใช่เป็นฝูงที่เห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นเป็นฝูงเหมือนกับว่าอยู่ในโลกเสมือนเนียอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากนะเดี๋ยวนี้คนที่ไปใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะบางทีมันก็เหมือนกับตกอยู่ในอารมณ์ของฝูงนะจากฝูงชนบางทีมันกลายเป็นฝูงสัตว์ได้ง่ายๆนะหรือว่าจากเพื่อนฝูงเนี่ยนะต้องระวังมากนะเพื่อนฝูงพออยู่กันอยู่กับเพื่อนมันกลายเป็นฝูงขึ้นมาแล้วก็อาจจะลืมตัวทําในสิ่งที่ไม่สมควร ผิดศีลมั่งหรือว่าไปทําร้ายคนอื่นด้วยการกระทํามั่งหรือว่าทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดนะให้เวลาใช้เวลาอยู่กับเพื่อนซึ่งกำลังจะกลายเป็นฝูงนี่ต้องมีสติมากเลยเพราะไม่งั้นจะคล้อยตามฝูงไปได้ง่ายๆบางทีไปทําผิดศีลบางทีก็ไปทําสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้คนเพราะว่าฝูงมันพาไปหรือว่าเวลาเล่นเฟซบุ o กนี่ก็ต้องระวังนะระวังอย่าเข้าไปร่วมเป็นฝูงหรือว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝูง นะที่มันทําให้เราเนี่ยเผลอตัวพอพูดไปแล้วด่าไปแล้วนี่บางทีมันแก้ไม่ได้นะผ่านไป3ปี5ปีคนก็ยังจําได้อาจจะเอาข้อความนั้นเนี่ยมาใช้ในการที่กล่าวหาเราหรือกล่าวโทษเราว่าเราเคยพูดอย่างนั้นทําอย่างนั้นบางคนก็ตกงานบางคนก็เสียชื่อไปนะเพราะว่าไอ้ความที่มันหลงไปในฝูงฝนะูงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแต่ถ้าเราเป็นมีฝูงที่ดีนะมีกัลยาณมิตรที่ดีนะมันก็พาไปดีได้เหมือนกันนะ คนหลายคนก็ไปดีได้เพราะอาศัยฝูงนี่แหละแต่เป็นฝูงที่พาไปในทางที่ดีเรียกว่าเป็นเกเรียนนมิต ร, ราการเลือกเพื่อนก็สำคัญมากนะหรือว่าการอยู่กับเพื่อนนะถ้าเรามีสติแล้วก็รู้จักเลือกคนที่ดีมาเป็นเพื่อนก็สามารถจะนำพาไปในทางที่ดีได้อาราก็เตรียมรับพร